ยิ่ด็ดฟังงขอธรรมะอ่ายเวลาเราเงเืองยิ่มัยุ่งร้อนมากงดาังนต่างใจเงยสบายเปนบ ก็คือ ทำบุญกับขิมถ้าจะบิมเรื่อง่งนี้เรื่องกับขินั้นตามทําตามดีในแต่ถือว่ากาลทานการทําบุญกับขิเป็นการทํำยากเพราะเป็นกาลทานมีอนุสงฆ์มากแปลกจากการให้ทานสิ่งข อ, ขอขื่นทั่วไป เพราะเรื่องอ น, นิสงของกับถินนั้นคุ้มกันเรื่องอาบัตได้สำหรับพระที่อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสสามเดือนวัดใดทีได้รับกับถินทางพระวินัยถึยกเว้ยอาบัตไว้แต่ทีห้าข้ออ น, นุสงห้าจีกันเคยว่าไว้เราเคยศึกษาเรื่องธรรมวินัยก็จะไม่ทราบ เรื่องการกระชินเป็นของทำรรยากพราเป็นการาทานไม่เหมือนทานผั่วไปทานผั่วไวเปเรามีศรัทธามีสิ่นของเมื่ อ, อไรเ้าก็เราก็ทานได้ตามความปรารถนาของเราแต่กระชินนี้นไม่เป็นอย่างนั้นต้องอาศรรยัยการอาศรรยัยสมัยท่านอนุญาตให้เพียงเดืนเดียวเท่า น, น, นั้น คืวันออกพรรษาแรงทัานหนึ่งเดือนสิบเด็ดไปถึงเดือนสิบสอง เ, เป็นเป็นเกียริกระินแต่ทําในระยะนี้ไม่ทันถึงเราจะมีเข่าของเงินทองอยากจะไปทํากระชินมันก็ทำํำได้ปีหนึง่งมีเพียงเดือนเดียวเท่านั้นที่จะทํากระชินกันได้กระชินจึงมีอานิโรกมีสงแรงกา้าตาอาน้สงให้ทาน เรื่องอื่นผคือจะทํากระชินได้แต่ยากส่งลำบากไม่ใช่ง่ายยากหลายอย่างหลายประการแต่าหากเราพิจารณาคิดอ่านไม่เ่อมันง่ายมันสบายควรี่มีโอกาสเวลาได้ถอดกระชินทํากระชินนี้รู้สึกว่าจะหายากจํานวนพันจะหาเพียงคนหนึ่งก่ทัองยากถ้าคิด จะเียกันในประเทศไทยฉะนั้นวันนี้พวกท่านพุทธศ า, าธ่นิกชนที่เป็นเจ้าภาพในอุตสาหนำาำผ้าแต่ขินมาทอดในวันนี้แล้วจะเป็นโชคดีของพวกท่านเพราะกต่ินนั้นถึงพระจะจำพรรษาตลอดไปมากถ้าพระไม่ครบองค์กว่ า, นนาทำไม่ได้พระคบองค์จะเทว่าในนี เร า, าสามารถทราบเรื่องจะทํากระชินเป็นตน้นว่ากะผ้าตัดผ้าเย็ดย้อมเปนทูอธิษฐานการหนึ่งเป็นมันก็หน่งกระินให้มีพระครบแล้วก็สาวพระไม่มีความสามารถจะทํานึ่ได้นอกจากนั้นเรามีศรัทธาแต่ถ้าว่างกายของเราเป่วยไข้ได้ทุกจะมาทำมันก็ไม่ได้อีก เรามีศรัทธาตัวนี้นมีสมบัติเข้าของจะมาทำมันก็ทำเลยได้มันหลายอย่างจริงเรื่องว่ามันทำยากไม่เคยเรือยอของง่ายอันนี้โชคดีของพวกเราท่านศรัทธาในจิตในใจตัวมีเข้าของที่จะมาทำบุนพื้นฐานตัวมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะทําได้ จึงว่าเป็นโชคลาภของพวกเราทั้งหลายจอุตสาห์พยายามต่างหน้าต่างตามาทำมาหาแต่สินในวันนี้จึงพากันปลุกจิตปลุกใจในการจะทำบำเพ็ญของตนเพราะบุญกุศลที่เราจะทำบำเพ็ญตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปที่อื่นถึงสิ่งของของเราที่ไปทอดไปให้ จะแค้เจ้าแค่สงจะเสียหายไปรายได้ก็คือเราได้ทํารายได้มีอยู่ในใจคือใจเยื่นไสใจอิ่มใจเบิกบานใจยินดีในการกระทําบําเพ็ญของตนเป็นผลทางใจในปัจจุบันเราได้ทําไปคิดไถ่ถึงการกระทําบำเพ็ญของตนจิตใจเกิด ดุญเกิดกุศลคือ เ, เกิดความสุขความสบายอันนี้สงที่เราทรําลงไปนี้ไม่เคยมีแต่ปัจจุบันทางตาเท่านั้นนอกจากนั้นอนาคตต่อไปเมื่อเราจางเย็น่ายตายเกิดตีในรัตตสงสารจะต้องอาศัยดุญกุศลที่ตนของตนทําไว้ส่งเสียให้ เด้รับความสุขความสบายในภพชาติต่างๆหากเรามาได้ทำอะไรไว้บุญกุศลนมนมีเราก็อดอยากอยากโนมเป็นทุกข์ในจิตในใจฉะนั้นการเกิดของมนุษย์เกิดขึ้นมาเพราะบุญกรรมของตนจิตสะสมเอาไว้ใน่เชนนั้นคนถั่วไปเกิดมาก็จะมีหน้าตาแส่งขา มีสติปัญญามีสมบัติเข่าขเข่าเทียมกำหนดเพราะทุกคนเกิดมาในปราถนาความทุกข์ยากปวดยากในปราถนาสู่ร่างกายตัวที่ในผลประกอบทุกคนต้องการความสุกความเจริญคูาถึพียงร่างกายก็ชอบยินดีอยากแฉสวยสดงดงามไม่มีโรคภายใข้เจ็บเบียดเบียนพูดถึง ด้านสติปัญญาก็อยากจะมีสติปัญญาเฉียบแหลมผูกถึงสนับทักเสร็จานเข่าของเงินทองก่อต้องการมากเดืกันในว่าคนชนในว่าคนรวยในว่าคนบ้านนอกในว่าคนในเมืองต่องการอย่างนั้นประเทศใดคนเกิดมาในว่าประเทศไทยประเทศนอกมันในเหมือนกัน ในว่ารูปร่างกลางตัวในว่าส่นบัครััสถานสติปัญญาวิชาความรู้ไม่ใช่เขาไม่อยากได้เขาต้องการอยากได้ทั้งนั้นแต่ที่นั้นไม่เป็นไปตามความอยากของเขากวามกติกามของเขาสี่สั่งเอาไว้ไม่เหมือนกันเกิดมาเป็นมนุษย์ยังรูปร่างต่างตัวแต่อดยากอยากส่นสติปัญญาวิชาความรู้ก็ไม่มี เข่าคล้องเงินทองจะไปศึกษ า, าเรื่อเลี้ยงก่อนนี้ไปเรื่องเลี้ยงได้ก่อนนี้ความ เ, เกิดจําภายในทําอะไรไม่สมประกอบถ้าหากไมมีบุญกุศลส่สงเสียให้คนเกิดมาทุกคนไม่มีผ้าผ่อนผ่อนสบายไม่มีเข่าคลองเงินทองติดตัวมาเหมือนกันทุกทวนมากแต่เทว่าเี่วโตมา ดิดามนดาดูแลรักษาแสวงหาสมบัติพัฒสถานอยากจะได้เดียวกันแต่ถ้าว่าสตจิปัญญาในมีบุญกุศลในมีทําอะไรกุศลในมีประกอบให้เกิดทุกข์ไรอันาถาลำบากยากเย็นถึงได้มาเข้าควงเงินทองนิดนิดหน่อยกว่านี้ สิงที่พาจนไปคือเกิดโรคไข้ไข้เจ็บขึ้นเหยียยารักษาเงินทองเข้าของหมดไปจนเกิดหายให้หายไปรักษาเออหาแส้หาใหม่ได้มาอีกจนไปอีกนี่คือคนที่บุญกุศลน้อยทําอะไรเลยไม่เจริญรุ่งเรืองให้โดยอํานาจในชีวิตของเขาไม่เคยตะโกะ คุณงามความดีเพียงพอบริบูรณ์คนจงเปนไปที่แปลแตกต่างกันอย่างนั้นนี่คือเรื่องของศาสนาสอน ม, มาอย่างนั้นถ้าเราพิจารณากันในเรื่องของศาสนาก็พอทราบ ว, ว่าเรื่องของคนทุกคนอยากดดีอยากมีปัญญาม่อยากมีโรคไข้ไข้เก็บแต่เท่ามันเป็นไปในบได้อานาจของกรรมสี่เขาทํามา มันเหนี่ยวนกันคนจิ้งจิดแตดแตก ต, ต่างกันถึงว่าเกิดมาไม่มีผ้าฝอทนทำสบายไม่มีอะไรติดมีมาแต่เทวะเติบโ ต, ตขึ้นมาเสวงหาสิ่งต่างๆสี่ตนตองตามด่าตามป่าถนาโกมีในสมความป่าธนาโกมีบางคนทุกข์ยากลําบากอนณาถาหาชาวจินงยนกทั้งยากผ้าฝอทนทำสบายจะปิดอะไรยะวะก็หายา แต่บางคนห ล, ลั่เรวยสุขสบายนี่คือบุญกุศลให้ผลแก่บุคคลที่กระทำกรรมดีมาโดยส่วนมากสมัยปัจจุบันท่านตาเขาไม่เชื่อว่าเท ร, ทรดาบุตรเทวดาดาสวรร์สัน่นฟ้าต่างๆนา น, นามีเราจะอธิบายเรื่องเหล่านั้นเขาไม่ค่อยยอมเชือ่อเพราะตาของเขาไม่เห็น เราจะต้องดูประจุบันของคนในชาติของมนุษย์นี้ที่ผิดๆแตกต่างกันชาติเขาเกิดบนสวรรค์ก็ถูกเพราะเหตุใดเพราะเขาเกิดมามีเข่าขวงเงินทองในเอดยาแก้เศนอยากจะได้อะไรเขาเหล่านั้นได้สมปรารถนาของเขาพอะเขามีเงินมีทองมีเข่ามีคองอยากสร้างบ้าน องใหญ่โตขนาดไหนก็ได้สนใจศาตรถนะอย่างนี ey, ้ผมอะไรก็ม <tab> ีเง <the> ินแลกเปลี <'m> ่ยนมาอยากทานอะไรก็ซื้อเอาตามสีตัวต่องการมีคือคนที่มีบุินมีกุศลมีทุนมาทับภายในตนทั้งที่เกิดมาในท้าฟอนต์สบายอะไรจุดมือมาแต่เทวดาเติมโตมมาแตวงหาได้ พอบุญกุศลบุ k เทกับตาบุญยตาคือบุ ญ, บญกุศลเก่าก่อนสนับสนุนให้คนดีไร้บุญไร้กุศลไม่มไทาําคุณงามความดีเอาไว้ไม่เป็ น, DIY, นอย่างนั้นเกิดมาทุกข์ยากลําบากอนาถาเกิดในตัวคนที่อยากเกินสงใจไหลทรัพอับปัญญาดีดานันดาก็อนเป็นคนอยากเกนตอนเกิดมาก็่ไม่มีสติปัญญา ไ น, น่มีชาความรู้อะไรมีมาระดกดั่งเดิมที่ดีได้มาได้จะแด่งให้ก็ไมนมีจะตีปัญญาจ ะ, สะแสดงหาใหม่ก็ไม่มีนี่คือกรรมของเขาที่ทํามาแต่เก่าก่อนไม่สนับสนุนให้คือเขาไได้ทำคว ร, รมดีไว้จะปราฏนาทอะไรมันก็จะเป็นไปตามความปราฏนาของเขาเราทุกคน ที่ีอยากมีจินมีความสุขพอสนควรจงพยายามที่จะเจรณาศึกษาหาทางประกอบคุณความดีให้เทวีควรขึ้นเพราะจิตใจของเรายังอดทนไปจากทุกข์จากที่เลอจำเป็นจะต้องเยี่ยมได้ตายาเกิดไปอีก การย่ำได้ตายเกิด ไ, ไปอีกกว่าจะต้องอาศัยบุญกุศลสนับสนุนให้ภานณหมัยศีลามัภาวนาไม่ทีทานกล่าวไว้เป็นทางเกิดขึ้นสึ่งบุญสึ่งกุศลทางหากเราไม่แสวงหาในเวลาที่มีชีวิตเป็นอยู่ตายไปแล้วไม่มีความหมายอะไรกายอันนี้เขาจะไปเผาไปฝังก็ได้จะไปทําบุญทาํากุศล ทำดีทำชั่วอะไรทำไมนได้เมื่อเรายังลวมหายใจจนอยู่เราจึงรื้อเรื่องขวนขวายทำคุณงามความดีอย่างพวกผันทิตย์ภาษาชมิกชนสิตสนใจในบุญกุศลเชื่อกรมจึงโดยยอมเสียสละเขาของเงินทองต่างๆนานามาทำมาหากระจิ๋ในวันนี้แล้วว่าเป็นคนที่คิดถูก ในอย่างนั้นกว่าทําไม่ได้ถ้าไม่มีศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมที่ทําไปพอเราทํานี้เราหนึ่งหลังผลประโยชน์จากการทําของเราไม่ใช่ว่าเราขว่างทิ้งเราทําไปหนึ่งผลหนึ่งกําไรหนึ่งความสุขทางกายทางใจแก่ตัวของตัว เม่เราหมุงอย่างนั้นเราโดยทําอย่างนั้นจิตใจของเราแล้วลึกขึ้นประการเกิดป็นมนุษย์พระพระพุทธศาสนาตัวของเรามเป็นโมฆะโดยทำสาระเกี่ยตัวของเราอย่างนั้นอย่างนี้ดขึ้นจิตใจต่อสิ่งสิ่งเบิกบานจิตใจต่อเป็นโุกนี่คือความสุขปัจจุบนันที่เราท่านจะได้รับจากการจะทํามําเพ็ญ ดังนั้นการทํากรินจึงเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสนับสนุนพระพุทธศาสน า, าบํารุงพระพุทธสาสนาผู้ประพฤฏิบัติจะมีโอกาสเวลาได้ตั้งหน้าตั้งตาจะทำบาเพ็ญคุณงามความดีของท่านตัวของเราผู้บารุงขอรับบุญรับผุ้สนคือเรามีบุญมีหลักาสาานาได้ทำนุกบํารุงรักษาพระพุทธศาสนาให้ คงเป็นคงว่าต่อไปเพราะพระพิตุสารมานินก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นพระอิปพระภูนปากก็มีท้องก็มีมีการฉันการนุ่งห่มเหมือนกันกับคารวาหากท่านไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีอะไรจะขบฉัน ไม่มีอะไรจะมึงหม่มไม่มีที่พักที่อาศัยไม่มีอะไรจะเจาะโรคไข้ไข้เจ็บเมื่อเกิดหนาวมาหาผ้ามาึนผ้ า, าห่มไม่มีเมื่อร้อนมาหาที่พักที่อาศัยไม่มีจะมีกําลังกายกําลังใจประฤติปฏิบัติธรรมในได้อย่างไรคือบำเพ็ญ ร, รักษาให้ทานต่อพระ ยิสุสามะเนินในวัดวาศาสน า, าจึงถือว่าเป็นผู้สนับสนุนพระพุทธาศาสนาให้คงเสนคงวายาวนานต่อไปเพราะพระพุทธเจ้าก็าสอนแล้วว่าพระยิสุสามะเนินที่บวชมาในพระพุทธาศาสนาจะต้องอาศัยกําลังศรัทธาของคารวาดโดยจิตใจทั้งสี่ คือกีวอนินทบบาทเสนาส น, นะกิรณะเทสัตจะต้องอาศัยพล ะ, ะาราาเขาทนุถนอมเขาบำรุงให้จะไปเสงหาทำไรทำนาท่าถายทำราชการงานเงิงต่างๆทางพระวิไไนัยไม่อนุญาตอาศัยคนอื่นชีวิตของท่านเมื่อท่านระดวก มีผูมาทะนุถนอมรักษาบำรุงให้ท่านต่างใจกับพืชปฏิบัติภาวนาละกิเลสจนจิตใจองท่ามเกิดวิเศษผนไปจากทุกโทษต่างๆท่านก็ได้มาแนะสอนพวกเราท่านแนะสอนพวกเราให้ละชั่วบำเพ็ญดีบอกทาง สวรรค์นิพพานให้นี่เป็นหน้าที่ของสมณะพามสมณะพามทั่วไปจะต้ตองแนงสอนทางดีให้ทางชั่วให้ละให้เว้นให้บำเพ็ญคุณงามความดีเป็นหน้าที่ของสมณะพามจะต้ตองแนงสอนทายกทายทายิกาในศาสนาหน น, นั้น ตามลัทธิของแต่ละศาสนาฉะนั้นพวกเราที่ใดกระทำบํมเพลนคุณงามความดีสนับสนุนศาสนาชึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลควรที่จะยินดีในจิตในใจในการกระทำบํมเพลนของตอนเพราะกับถิ่นนี้เป็นการเป็นสมัยหาก ในใช่การในยุคสมัยก็ทอดไม่ได้ทําไม่ได้ถึงจะมีเข่าของเงินทองขนาดไหนมันก็มาจนกับชินหาจนบางสกุลจนผ่าป่าจนสังขาทานไปกระถินจึงได้ชื่อว่าทำยากมีอายุฝนฝงมากกว่าทานทั่วไปผูกจึงการให้ทานแล้วเรื่องกระถินเป็นที่มีอายุฝงมาก จนสามารถห้ามกั้นพิกสุที่รับกระถินนั้นนั้นไม่ให้เป็นอาบัตเป็บางข้ อ, อส่วนพะิกสุอยู่ในรับในวาจะเกี่ยวไปในมือบ้านจะเข้าไปบ้านในเวลาพิการคือบ่ายแล้วไปต้องบอกลาพิสุอื่นถ้าไม่บอกลาพิสุอื่นเข้าไปท่านปับอาบัตเมื่อได้รับกระถินเข้าไปได้ ทนอนุญาตในตับอาบัตอนู่เป็นขอนหนึ่งในอนิสง์ห้าข้อที่สองพิษุทุกลูลจะต้องรักษาผ่าคองห้องตัวคือสังคาติออจีวอนส่วนบงสามตัวนี้ไปสถานที่ใดข้ามคืนในได้ถ้าปล่อยปะละทิ้งผ่าจะเป็นมิสทีเจ้าของจะเป็นอาบัตตายจิตปี จะไปข้างคืนที่อื่นจะต้องมีผ้าสามผืนมีติดตัวไปแจะมีรับกระถิ่นแล้วถ้าอนุญาตให้ปล่อยไว้ตัวใดตัวหนึ่งเอาไปแต่เพียงสองผืนก็ได้ในเป็นอาบัตคุมกันอาบัตได้มีอาณาสงของกระถิ่นข้อที่สองของ้อที่ ส, สามเชกสุอยู่ด้ยวยกนันมีปูมานิมนไปฉันจังหังนวิฉันเชน วกิฉันเทนถ้าหากคนเหล่านั้นมนีมนว่านีมนไปฉันข่าบ้านผมนีมนไปฉันแยงบ้านผมอย่างนั้นอย่างนี้โภชนะทั้งห้าคือข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อสิ่งเหล่านี้ออกชื่อในได้ฉะนั้นการนีมนพระจะไปฉันจังหันก่อตามไปฉันเพนก่อตามเพื่ มีโยมก็นหน้าไปฉันจังหั น, นมีมนไปฉันจังหันบ้านผมไปฉันเชิญบ้านผมถ้าไปออกชื่ออ่ะไปฉันข่าวบ้านผมที่คือเหล่านั้นไปฉันไม่ได้ผิดทางพระวินัยแต่เมื่อฉันลงไปแบบเป็นอาบัติเมื่อได้รับกระถินออกชื่อโพธสนะได้จะไปฉันในตับอาบัต อย่างคุ้มกันอย่างอ น, นิสงส์กระชินนอกจากนั้นผู้ที่ได้รับกระชินอนุโมทนากระชินวางมีอา น, นิสงยืดออกไปสังเกตเดือนสองเพนจนถึงเดือนสี่เพนในระยะนี้เป็นอา น, นิสงกระชินผู้ที่ได้อนุโมทนาหรือการกรินถ้าที่ให้มาในวัด นั้นๆจะเป็นของพิกษุสามาเณรเหล่านั้นไปแจกปันกันชายสอยนี่เป็นเรื่องอา น, นิสงส์ของกระชินผู้ที่ไม่เคยศึกษาเรื่องกระชินก็จะไม่ทราบว่าอา น, นิสงส์หักเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่จะรับกระชินได้มันก็มีอีกจะต้องรู้จักการทํากระชินของของตน ว่าทําอย่างไรจึงจะถูกต้องตามพระวินยัยถ้าทําไม่ถูกต้องตามพระวินยัยอ น, นิสงส์หา้ามันก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยากลําบากทั้งผู้ที่ทำบุญลําบากทั้งผู้ที่รับถ้าหากไม่สมเหมาะกันก็ทําไม่ได้พระอยู่ในวัดก็ต้องมีความฉลาดรู้จักเรื่องกระชินยอมก็มีโอกาสเวลา ในป่วยไขย้มีเข่าของพอจะทำได้เหมาะกับการกับสมัยจึงจะเป็นกระถิ่นได้กระถิ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญในการทำบุญไม่ใช่ทำง่ายง่ายลำบากกว่าจะทำได้เพราะการสมัยมีเพียงนิดหน่อยเท่านั้นหากเรา ม, มีเข้าของเงินทองมีศรัทธาอยู่ในใจมันไปทำไม่ได้ มี่แต่เชียงศรัทธาไม่มีอะไรจะไปทำให้เป็นองค์กระถินให้นอกจากนั้นมีศรัทธามีเข่าของแต่พ้ะไม่ครบถ้วนมันก็ทำไม่ได้พระครบถ่วนจะไม่ใส่การไม่ใส่สมัยที่จะทำไม่ใส่การกรินมันก็ทำไม่ได้อีกมันมีหลายเตาะหลายข้อที่จะทำไม่ได้ แต่นั้นการสมัยก็ออำนวยให้เราก็มีความสุกกายสูกใจเข้าของเงินทองพอที่จะทําก็มีจึงเป็นโชคดีพระพิสุสู่จะรับก็มีคบพอบารีบูมผู้จะไปทำกระชินซึ่งเชื่อว่าจนมหากรุส่นเพราะกระชินนี้เขาเรียกว่ากองกระชิน มากองก็มีของหลายอย่างไม่ใช่ของอย่างหนึ่งอย่างเดียวมากองกันขึ้นกองบุญกองกระถินก็น่าตื่นใจพอเป็นกองใน่ใช่ของขิ้นเดียวอันเดียวมันมีของหลายอย่างมาสมทบกันเข้าอีกอย่างว่ากองกรินการทำกระถินตามแบบตำลับตำลาท่านก็กล่าวว่า มีหลายอย่างกระชินก็มีจึงแล้วกระชินก็มีมาหากระชิก็มีกระชินนั้นหมายถึงเราท่านจิต ท, ทำพอเหมาะพอควรตามสรธาหน้าฉีของตนไม่ใหญ่โตละโหรฐานทําตามความมีควา ม, ม, วามเป็นของตนพอเป็นองค์กระชินได้ของก็ไม่มากไม้ศรัทธานในจิตในใจก็ไม่ Okay. ใหญ่โตเท่าไรหนูเดียกว่ากรชินกิ น, นละกรชินนั้นหมายถึงกระ ช, นน ช, นชินดวนกระชินรีบก็ชินดวนก็ชินแล่นทำกันในวันนั้นแต่สมัยนี้ไม่ค่อยเห็นกันเพราะคงจะทำยากได้ก็จะต้องเอาฝ้ายมาปั่นในวันนั้นทอในวันนั้นนำไปในวันนั้น มันคงใจยิ่งใจยากใจลำบากสมัยนี้ไม่คยมีอย่าว่าชิ้นก็ถิน่นคือกรถิ่นแ้า่นกระถิ่นเร็วกระิ่นเดือนมหากรถิ่นหมายถึงสิ่งของต่างๆนานามากไมายก่ายกองอย่าว่ามหากระินคือกระิ่นใหญ่กระิ่นโตทํากันอย่างใหญ่อย่างโตนี่กรถินในพระวินยัย กระชินนอกเข้าวันไหนกระชินตามเรื่องของโบราณอาจารย์ผูดไว้มันก็มีอีกกระชินบุตรกระชินเนา่ากระชินเส่ามองกระชินบริสุทธินี่หมายถึงคำพูดของผู้เท่าผู้แก่เป็นประำประลกันมาถันยกนิทานว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งมีเขา่าของเงินทองหมากน า, ายไก่กองมีเงินตั้งแปลกิบโกด ทำกรินเมื่อทำกระถินแล้วก็เทว ด, ดามาอนุมโมทานาในตอนถอดกรินถวายกรินประกาศเชื่อเชิญให้เทว ด, ดาไม่ว่าภู ม, มิเทว ด, ดาหรืออากาศเทว ด, ดาใหมาอนุมโมทานากรินของเขาวันนั้นมีเทว ด, ดาองหนึ่ง ม, มา อนุโมทนากัะชินแต่พอมาชวนจะถึงบ้านชวนจะถึงวัดมีตนไซใหญ่ตนหนึ่งอยู่นั้นเรามีคนคนหนึ่งเร อ, อยู่ใต้ร่มของตนไจนั้นเดายินเสียงเทวดามาชวนเทวดาที่อยู่ตนไจซึ่งเป็นพวกลูกขะเทวดาชวนให้ไป อนิโมทนากับขินกับมหาเศียชีแต่เทวะดาที่ไปจำที่ตนใส่นั้นบอกว่าเชิญไปก่อนเธอเมื่ออนิโมทนาแล้วเป็นอย่างไรขอให้ามาบอกเล่าให้ฟังด้วยว่าเนี่ยคือเทวดาตนใส่นั้นไหนไปด้วยใส่แต่เทวดาองค์ อ, อื่นที่จอนมาพอไปอนิโมธนา พวกศรัทธาเจ้าของกระถินแจกแล้วแจกสุรานคนมาในงานเมาอุกกระทึกนึกนองลืมตาไม่ขึ้นพูดลั่นไม่มีความสงบสงัดไม่จะปฏิบัติตามเรื่องของธรรมพอถวายแล้วอนุโมทนาแล้วก็กลับมาแต่บุหลุดคนนั้น อยากจะทราบว่าเรื่องถวายกับชินเป็นอย่างไรเขาก็ยังในนี้ตาจากลมใสคอยเทวดาองค์ทิ่ไป อ, อนุโมทนากลับมาก่อนจะมาพูดกับเทวดาที่อยู่ต้นไทรมีว่าอย่างไรพอกลับมาถึงต้นไทรงเทวดาที่ประจําที่ก็ถามว่ า, าตังไงกระชินเขามาหาเจ็ดฐีสีธรรมไปเขาบอกว่ากระชินเนา ทำไมจึงหมาเขากินเหล้ากิ้นยาเออก็เลยแค่หาโกราหุนไม่มีความส ง, งบส ง, งัดในปฏิบัติตามอาตามธรรมเลยอย่างนั้นเพราะว่าได้ยินอย่างนั้นแล้วเทวดาคนนี้ตาไอ้คนคนนี้ตัมาเล่าให้เ จ, จ็ดผีเจ้าของศรัทาฟังเจ็ดผีก็เสียใจอ้าวเราทำใหม่เพราะเขาของเงินทองเราไม่อดทําอีกกองที่สอง ทางนี้จะมีต้องเอาเล่าเอายามาเกี่ยวข้องแต่ถือว่าข่าวัวข่าวควายข่าวหมูข่าไก่กันยหญ่ใหญ่โตคนมาในงานจิตหยิบน้ำซ้ำลรามทำกันอย่างเต็นที่ใครมาก็กินกันไม่ได้คิดถึงการทำอย่างนั้นมันจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรเพราะทำไปเพราะ เขาไม่อดอยาก